วันนี้เป็นวันเสาร์ที่29มีนาคมพุทธศักราช 2,568 เป็นวันที่ท่านสาธุชนได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่จิตใจ ทำที่จะได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องจิตตภาวนาจิตตภาวนาก็คือเครื่องซักพอกใจหรือเครื่องซักพอกจิตใจจิตใจของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เมื่อเราสวมใส่ไปแล้วเสื้อผ้าก็จะเริ่ม มีความสโปรกมีอะไรต่างๆมาทําให้เสื้อผ้านั้นโสโครก ก, ก็จําเป็นที่จะต้องเอาไปซักสมัยนี้เราก็มีเครื่องซักผ้าเราก็เอาเสื้อผ้าเข้าไปใส่ในเครื่องใส่ใส่ผงซักฟอกหรือใส่อะไรต่างๆ แล้วเราก็ให้เครื่องซักผ้าทำงานซักผ้าไปจนจนเสร็จเมื่อซักเสร็จเราก็จะได้เสื้อผ้าที่สะอาด จ, จิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าตอนนี้จิตใจของพวกเราไม่สะอาดเพราะมีสิ่งที่โสกปก หรือที่เราเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองต่างๆก็คกือกิเลสที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างความไม่สบายใจสร้างความเศร้าโศกเสียใจสร้างความวิตกกังวลหวาดกลัวให้แก่จิตใจของพวกเราถ้าพวกเรา ต้องการที่จะให้จิตใจของเราสะอาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเราก็จาเป็นที่จะต้องดาเนินหรือปฏิบัติจิตตะภาวนาคือเอาจิตใจเราเข้าเครื่องสักพอกจิตใจ น, นั่นึงถ้าเราจิตใจเข้า เครื่องซักผ้าจิตใจให้จิตให้เครื่องซักผอกได้ทํางานตามหน้าที่เหมือนกับเครื่องซักเสื้อผ้าไม่นานจิตใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาพอจิตใจสะอาดบริสุทธิ์กิเลสเครื่องเศร้าหมองที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ก็จะหายไปหมดจิตใจที่สะอาดบริสุทนี้เราก็เรียกว่านิพานนิพานนี้ไม่ได้หมายความว่าจิตใจหายสาบสูญไปหลังจากที่ได้รับการดําเนินบําเพ็ญจิตตภาวนาจิตใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเอาเข้า เ, เข้าเครื่องซักเสื้อผ้า หลังจากสร้างเสื้อผ้าเสร็จแล้วคราบสกรปรกต่างๆก็ได้ถูกกําจัดหมดสิ้นไปแล้ว mm hmm. เสื้อผ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิม mm hmm. เสื้อผ้าไม่ได้หายไปไหนไม่ได้สูญหายไปไหนฉันใดจิตใจหลังจากที่ได้รับการซักพอกด้วยการบําเพ็ญจิตตาภาวนาแล้ว mm hmm. หลังจากที่กิเลสตัณหา เครื่องเศร้าหมองต่างๆได้ถูกกําจัดเอาไปจากใจจนหมดสิ้นแล้วใจก็ยังอยู่แต่เป็นใจที่อยู่อย่างบริสุทธิ์ปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงปราศจากความโลภโกรธหลงต่างๆปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตใจไม่ได้สูญไปไหน นิพานนี้คำว่าศูนย์าาก็คือกิเลสศูนย์ความทุกข์ศูนย์แต่จิตใจไม่ศูนย์ไปไหนจิตใจอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่อย่างมีความสุขปรามังสุขขังเพราะว่าจิตใจนั้นไม่มีกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองมาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่าง ให้แก่จิตใจใครก็ตามถ้าได้สักฟอกจิตใจจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะได้จิตใจที่เป็นนิพพานขึ้นมาและก็ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาตายไปถึงจะได้จิตใจที่เป็นนิพพานเช่นพระพุทธเจ้าวันนี้ทรงสักฟอกจิตใจของพระองค์ด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนา พอถึงวันเพ็ญเดือนหกจิตใจของพระ อ, องค์ก็สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมากลายเป็นนิพพานขึ้นมาในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ mm hmm. พระบุตรเจ้าตรัสรู้ทักพ่อจิตใจของพระ อ, องค์ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ในอายุสามสิบห้าปีด้วยกัน แล้วหลังจากนั้นก็อยู่ต่อไปอีกสี่สิบห้าปีจนถึงอายุแปดสิบปีถึงได้ตายไปร่างกายตายไปแต่ใจที่เป็นนิพพานใจที่สาด บ, บริสุดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดเรามักจะใช้คาคำคำแทนความตายกัน เพราะคำคว่าตายนี้เป็นคำที่ไม่มีใครอยากจะได้ยินได้ฟังเราจรึงมักจะใช้คำแทนคมความตายกันเช่นเวลาคนตายเราก็มักจะพูดว่าถึงแก่กรร ม, มถึงแก่กรรมถ้าพระเจ้าแผ่นดินตายเราก็เรียกว่าสวรรค์นกตไปสวรรค์ถ้าพระอรหรันตพระพุทธเจ้าตายเราก็เรียกว่านิพพาน อันนี้เป็นภาษาที่เราใช้แทนคําว่าตายแต่ไม่ได้หมายความว่าใจเป็นนิพพานตอนตายเท่านั้นใจนี้เป็นนิพพานตั้งแต่สามารถซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้สามารถกำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ พอไม่มีกิเลสลงเหลือยอยู่พอใจสะอาดบริสุทธิ์ใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาทันทีจึงมีคำที่อธิบายถึงสถานภาพของนิพพานอยู่สองคำด้วยกันจําไม่ก็ได้ถ้าพูดผิดสัอุปาดิเสสนานิพพานกับอนุปาดิเสสะนิพพานความหมายก็คือ จิตเป็นนิพพานในขณะที่ยังมีร่างกายมีชีวิตอยู่เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ใจเป็นนิพพานในขณะที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจไม่ได้เปลี่ยนไปใจเป็นนิพพานอย่างไรก็เป็น น, นิพพานอย่างนั้นเป็น น, นิพพานในขณะที่มีร่างกายเช่นพระพุทธเจ้าวันเพ็ญเดือนหกอายุสามสิบห้าปี พระไทยหรือใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นนิพพานขึ้นมาแล้วก็พออายุแปดสิบปีพอร่างกายตายไปใจของท่านก็ยังเป็นนิพพานอยู่เหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนชื่อสถานภาพว่านิพพานในขณะที่ยังมีร่างกายมีชีวิตอยู่และนิพพานหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เช่นตอนนี้ร่างกายของพระพุทธเจ้านี้ตายไปแล้วแต่ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นนิพพานอยู่เหมือนเดิมเป็นใจที่มีแต่ บ, บมมาลมบามสุขปรมังสุขขังปรมังสุญญงคําว่าปรามังสุญญงก็คือสูญจากความทุกข์ต่างๆสูญจากความลอความโลอบความโกรธความหลงสูญจากการเวียนว่ายตายเกิด ในพบน้อยพบใหญ่นี่คือความหมายของปรมังสูญอย่างคนที่ศึกษาแต่ไม่ได้ปฏิบัตินี้ก็จะไปแปลว่าพอนิพพานแล้วทุกอย่างสูญหมดแม้แต่ใจก็สูญไปด้วยอันนี้เป็นการแปลความหมายผิดไม่ได้ปฏิบัติก็เลยแปลไปตางความรู้สึกนึกคิด กำว่าศู์ก็หมายถึงว่าทุกอย่างหายไปหมดบรมังก็คือบรมะบรมีสูญความสู์ที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องคิดว่าศูญก็ทุกสิ่งทุกอย่างสูญหมดนะแต่ใจก็สูญอันนี้เป็นการพูดตามความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่เป็นไปตามความเป็นจริงถ้าไปคิดอย่างนี้ คนก็เลยกลัวนิพพานกันกลัวว่าอยู่ดีๆพอเราถึงนิพพานแล้วเราหายไปหมดเลยตัวเราหายไปหมดไม่หายตัวเราคือใจที่เป็นธาตุรู้นี้ที่ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่นี้ยังอยู่ต่อไปใจมีขันธ์สี่คือนามขันธ์ก็ยังอยู่มีนามขันธ์ก็คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ใจที่เป็นนิพพานใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็มีเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกับใจที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีเวทนาสัญญาสังขารเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเหมือนกับรถยนต์นะที่เราเอาไปล้างกับกับรถรถยนต์ที่เราไม่ได้เอาไปล้างก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนเหมือนเดิมมีพวงมาลัยมีล้อมีอะไรตัวถังมีเครื่องยนต์ สิ่งที่ไม่มีที่ต่างกันก็นกคือความสปกปรกรถยนต์เราบางทีต้องส่งเข้าไปในคาร์แคร์เพราะเราใช้งานมันมาแล้วมันมันสกปรกด้วยสิ่งสกปรกต่างๆเราไม่มีเวลาที่จะล้างเองเราก็ส่งไปที่คาร์แคร์เขาก็ทำการล้างให้กับเราพอล้างเสร็จเราก็ไปรับรถกลับมาไม่ใช่รถหายไปกับคาร์แคร์จ่ายเงินแล้ว ให้ช่วยล้างทำความสะอาดพอทำความสะอาดสศ็จคาแค่บอกว่ารถหายไปแล้วครับ<ม>สูญแล้ว<ม>เพราะทุกอย่างสูญหมดมอันนี้ก็แบบเดียวกันเใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่สกรปรก<ม>เราใช้รถยนต์ไปวิ่งไปตามท้องถนนก็ต้องมีขี้ฝุ่นมีขี้โครนมีอะไรต่างๆมาทำให้รถยนต์ของเราสกรปรกแม้แต่ข้างในรถก็ยังสกรปรก เราก็เลยส่งไปที่คาแครให้เขาช่วยทําความสะอาดให้ทำความสะาอาดเสร็จนนท์ น, นก็ไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่หายไปก็คือความสุขกกต่างๆสิ่งสุขกบกต่างๆใจก็เหมือนกันใจก็มีสิ่งสกกุขกบกที่เรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองตัวที่คอยมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่าง ๆ, ๆให้กับใจของเราตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงบัดนี้มันก็ได้สร้างความเศร้าหมองให้กับเราหลายเรื่องนะเพียงแต่คิดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ใจก็วิตกกังวลขึ้นมานะนี่แหละคือเครื่องเศร้าหมองไม่ใช่ไม่จําเป็นมันจะต้องทุกทรมานใจถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ความไม่รู้สึกความรู้สึกไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเครื่องเศร้าหมองนะ คิดถึงเรื่องของเราคิดถึงอนาคตของเราก็เศร้าหมองนะคิดถึงร่างกายของเราว่าต่อไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็เกิดอาการเศร้าขึ้นมาแล้วอาการเศร้าเหล่านี้มันเกิดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองคือความโลภความอยากต่างๆความอยากที่อยากให้ร่างกายไม่ตายนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความเศร้าหมองเวลาที่เราคิดถึงความแก่ คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายคิดถึงการ พ, ดพาดลาจากกันพอคิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมายัางไม่ได้ยังไม่ได้เจอของจริงเลยเพียงแต่คิดใจก็เริ่มเศร้าขึ้นมาทันทีแต่ถ้าใจได้รับการซักฟอกจนกระทั่งความโลภความอยากหายไปหมดความอยากอยู่ก็หายไปความอยากให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็หายไปหมดพอความอยากเหล่านี้หายไปหมดเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายความทุกข์ความเศร้าหมองก็ไม่โผล่ขึ้นมาไดอย่างไดเพราะเหตุที่ทำให้ความทุกข์ความเศร้าหมองคือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้มันได้ถูกกําจัดไปหมดแล้วความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่ได้เป็นตัวเศร้าหมอง ไม่ได้เป็นตัวที่เป็นเหตุทำให้เกิดอาการเศร้าหมองขึ้นมาแต่ตัวความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ต่างหากด้วยความอยากอยู่อยากให้ร่างกายอยู่เป็นนานอยากให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังวังชาสามารถทำอะไรตอบสนองความอยากของเราได้ของใจได้ทุกเวลานาทีไอ้ตัวนี้ต่างหากที่เรียกว่าเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองความโลภความอยากนี แต่ถ้าได้รับการซักพอ้อด้วยการบรรําเพ็ญจิตะภาวนาแล้วนี่ความเศร้าหมองเหล่านี้ก็จะหายไปหมดคิดถึงเรื่องอะไรก็ไม่มีความเศร้าหมองคิดถึงความพัดภาคจากกันก็ไม่มีความเศร้าหมองคิดถึงอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็ดีหรือที่ยังจะไม่เกิดหรือที่กำลังจะมาต่อไปก็ดีคิดไปแล้วมันก็เฉยเฉยมันไม่ได้รู้สึก เศ้ามองไปกับความคิดเหล่านี้เลยเพราะมันไม่มีความอยากที่จะไม่ให้สิ่งต่างๆมันไม่เกิดนั่นเองเพราะมันยอมรับความจริงว่าอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมีดีมีไม่ดีสลับกันไปอยู่เรื่อยๆมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเป็นปกติ ไม่มีใครไปสามารถควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปเ mm. มื่อยอมรับความจริงความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาในใจ mm. ที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเพราะความอยากไม่ให้มันเป็นความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดการสูญเสียไม่อยากให้เกิดการพลาดพลาจากกัน อันนี้ต่างหากเป็นตัวเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าได้รับการบําเพ็ญจิตตภาวนาได้รับการซักพอกจิตใจอยู่เรื่อยๆจนจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีต่อไปเพราะเหตุของความทุกข์คือกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายก็ถูกกําจัดด้วยการซักพอกด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนานี่ น, นี่คือลผลที่เราจะได้รับก็คือพอจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เราก็เรียกจิตใจนี้ว่านิพพานนิพพานก็คือจิตใจที่ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปถ้าไปเกิดก็แสดงว่ายังไม่นิพพานถ้าไปเกิดก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะเมื่อไปเกิดก็ต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าซักพอกจิตใจ จ, จนสะอาดบริสุทธิ์ ความอยากทั้งสามที่เป็นเหตุให้ไปเกิดมันถูกสักพอกถูกกำจัดให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วการเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปถ้าความอยากการอยากในกามคือกามาตัญหาอยากมีอยากเป็นภาวะตันหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวะตัญหาถ้าความอยากเหล่านี้ได้รับกำจัดด้วยการซักพอกของจิตใจแล้ว การเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดภพชาติก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็นภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของพรหมหรือภพของเดรัจฉานของเป็ของนรกก็ตามทุกเหล่านี้จะไม่มีสำหรับจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วนี่คําว่าศูนย์หมายถึงสิ่งเหล่านี้ศูนย์ไปจากใจ ภพชาติต่างๆสูญไปจากใจความทุกข์ต่างๆสูญไปจากใจกิเลสตัณหาต่างๆสูญไปจากใจแต่ใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเหมือนเดิมเหมือนกับใจที่ยังไม่ได้รับการสักาอก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนเดิม ต่างกันตรงที่ใจที่ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองนี้จะไม่ใช้วิทนาสัญญาสังขารไปตามอำนาจของของกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆแม้แต่ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังใช้สังขารความคิดตรุงแต่เวลาแสดงธรรมนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องใช้นามาขันก็ใช้สัญญาสังขารสัญญาความจำได้หมายรู้ สังคัญความคิดปรุงแต่งเวลาแสดงธรรมก็ <S 1> <S 1> ต้องใช้ความคิดคิดว่าจะพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้แล้วก็สดแสดงธรรมไปตามเหตุตามผลไม่ได้สดแสดงไปตามความโลภความอยากต่างๆ <S 1> <S 1> ใจของผู้ที่บริสุดกับไม่บริสุทก็มีนามขันเหมือนกันนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันต่างกันตรงที่ นามาขันนี้ไม่ได้เป็นเครื่องมือของกิเลสอีกต่อไปไม่ได้เอามาใช้เพื่อตอบสนองตันหาความอยากเหมือนกับของใจที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ถ้าใจที่ยังมีกิเลสตัณหาก็จะใช้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความอยากต่างๆของกิเลสตัณหาแต่ใจของผู้ที่สะอาดบริสุทก็จะไม่ไดเอามาใช้ตอบสนองกิเลสตัณหา แล้วก็เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดจากร่างกายก็ยังมีเหมือนกันใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ก็ยังรับรู้ความสุขทุกข์ของร่างกายอยู่เวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ยังรับรู้อยู่เหมือนเดิมแต่ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเพราะใจไม่มีความอยาก ไม่ให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่ไม่มีการมีความอยากให้มันหายไปหรือมีความอยากไม่ให้มันเกิดขึ้นมาใจไม่มีความอยากเหล่านี้ความทุกข์จึงไม่มีร่างกายจะเจ็บจะปวด อ, อย่างไรจะเป็นอะไรอย่างไร ใจของพระพุทธเจ้ากับพระหนานก็รับรู้เหมือนกับใจของปุตุชนธรรมดาต่างกันตรงที่ใจของพระพุทธเจ้ากับพระอรหัานต์ น, นี้รับรู้เฉยๆรับรู้ว่าร่างกายตอนนี้เจ็บเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นโรคมะเรง็งเป็นโรคอะไรต่างๆก็รับรู้ไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปพระพุทธเจ้าก็ยังมีการรักษาร่างกายของพระ อ, องค์อยู่มีหมอชีวกเป็นผู้ เหมือนแพทย์ประจำตัวของพระพุทธเจ้าถวายยาชนิดต่างๆเวลาที่พระพุทธเจ้าเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาโรคไหนที่ยังรักษาได้ท่านก็รักษากันไปแต่ไม่ได้รักษาเพื่อเพื่อที่จะเอามาใช้กับความยากต่างๆแต่รักษาไว้เพื่อจะไดเอามาใช้ในการช่วยเหลือสงเคราะห์สัตว์โลก ด้วยการแสดงเผยแผ่ธรรมะให้แก่สา์โลกได้ยินได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้นามาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเท่านั้นเองถ้ารักษาไม่ได้ใจของท่านก็ไม่ทุกข์รักษาได้ใจของท่านก็ไม่ได้ดีใจก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองแต่ใจนี้สะอาดบริสุด์ใจนี้เป็นบร ม, มาสุขตลอดเวลา อารมณ์มสุขก็คือไม่มีความทุกข์แม้แต่ทุกีเดียวอยู่ในใจของของผู้ที่มีนิพพานไม่มีความทุกข์แม้แต่หยดเดียวมีความทุกขลุ้นมีความสุขล้วนๆ น, นี่กือรมณ์มรรทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับและกระทั่งเวลาหลับก็สุขตลอดเวลาสุขตลอด24ชั่วโมงและสุขไปอย่างเท้าอย่างไม่มีวันสิ้นสุดใขณะนี้ พระร่างกายของพระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปต้อง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามแต่ใจที่เป็นใจบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังบามมยังมีบารมมศกอยู่ตลอดเวลาไม่ได้สูญหายไปไหนดังนั้นอย่าไปกลัวว่าการมาซักฟอกจิตใจแล้วพอได้นี้ผ่านแล้วใจของเราจะหายไปใจไม่หายสิ่งที่หายก็คือความทุกข์ ที่เกิดจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆอันนี้หายไปหมดความทุกข์ก็หายไปเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆก็หายไปหมดแต่ใจที่เป็นท่ารู้ก็ยังรู้ต่อไปยังอยู่ต่อไปแต่ไม่ได้อยู่แบบใจที่มีกิเลสคือไม่ได้อยู่แบบไปเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังมีกิเลสมีความอยากอยู่ก็ยังอยากจะไปเสพ รูปเสียงกลิ่นรสราบยศสรรเสริญ allora เม e ื eddar, ่อยังมีความอยากจะเสพราบยศสรรเสริญสุขอยู่ก็จําเป็นจะต้องมีเครื่องมือก็คือมีร่างกายพออยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายและการจะมีตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ต้องมีร่างกายก็เลยต้องไปไปครอบครองร่างกายเวลาที่มีการก่อร่างร่างกายใหม่ขึ้นมา เช่นเวลาที่มีการผสมพันธ์ระหว่างของพ่อกับของแม่เชื้อของพ่อกับของแม่มารวมตัวกันพอเริ่มมีการผสมพันธ์กันใจที่มีความอยากจะมีร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะส่งกระแสใจนี้มาเกาะที่ร่างกายนั้นทันทีแล้วก็ครอบครองร่างกายนั้นหลังจากที่ข้อออกมาก็ สั่งให้ร่างกายนี้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้เสพให้ใช้ตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายเสพไปเรื่อยๆได้ทั้งสุขได้ทั้งทุกข์สลับกันไปเวลาอยากได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสถ้าได้เสพก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วต่อไปก็ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่ได้มาให้ความสุข ไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปฐพภะชนิดต่างๆมันเป็นของชั่วคราววันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการสูญเสียมีการพัดพากจากกันร่างกายก็ต้องมีวันแก่วันเจ็บและวันตายการเกิดก็จะนำไปสู่ความทุกข์ในบ้านปลายในเบื้องต้นก็จะมีความสุขกันเพราะร่างกายยังสมบูรณ์แข็งแรง ยังสามารถทำอะไรตามความอยากได้อยู่อพอได้สิ่งที่อยากได้มาได้สัมผัสกับสิ่งที่อยากจะสัมผัสก็เกิดความสุขขึ้นมามก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายเวลานั้นความอยากก็จะไม่ได้รับการตอบสนองเมือมม่อไม่ได้รับการตอบสนองความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาความเศร้าส้อยหงอยเหงาก็จะตามมา ถ้าเป็นไปมากๆก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาเพราะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขได้อีกแล้วนั่นเองมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์ ท, กที่เกิดจากความผิดหวังความไม่สามารถที่จะไปหาสิ่งที่อยากจะเสพมาเสพได้บางทีคนซึมเศร้ามากๆก็คิดถึงกับการฆ่าตัวตาย คิดว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขมนรู้อยู่ไปทำไมการค่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายมันเป็นปกติมันมีเจริญมีเสื่อมตัวที่ทำให้ใจซึมเศร้าไม่ใช่ร่างกายตัวที่ทำให้ใจซึมเศร้ า, ก, าก็คือกิเลสเครื่องเศร้าหมองนี่องตัวความอยากมีความสุขผ่านทางร่างกาย แต่ร่างกายมันไม่สามารถทำหน้าที่ของมันให้กับใจได้แล้ว <S <S ไปฆ่ามันก็ไม่ได้ไปทำให้ความเศร้าใจหายเป็นต่อย่างไดเพราะความเศร้าใจความซึมเศร้าความคิดอยากจะฆ่าตัวตายนี้มันเกิดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างหา <S <S ถ้าอยากจะให้ความซึมเศร้าหายไปอยากจะให้ความเศร้าโศกเสียใจหายไป <S <S ต้องมาซักพอกจิตใจต้องมากำจัด ความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปให้ได้ถึงจะแก้ปัญหาที่ถูกจุดถ้าไปฆ่าฆ่าตัวตายใจที่ยังมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองอยู่มันก็จะไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่แล้วพอร่างกายเป็นอะไรไปไม่สามารถทาตามความอยากได้ความเศร้าหมองก็จะเข้ามาความซึมเศร้าก็จะเข้ามา ความคิดอยากจะฆ่าตัวตายก็จะกลับมาเขาจึงมีคําพูดว่าถ้าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วนี่จะกลับมาฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยครั้งเลยกันห้าร้อยชาติเพราะมันจะติดเป็นนิสัยเวลาที่ไม่มีปัญหามีความทุกข์ใจมีความเศร้าใจมีความเสียใจและไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ใจเหล่านี้ ให้มันหมดไปจากใจได้ก็จะคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายนี้จะเป็นวิธีที่จะทำให้ความเศร้าใจหายไปหมดไปมันไม่หายเพราะความเศร้าใจมันไม่ได้เกิดจากร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจริร่างกายที่ไม่สามารถทาหน้าที่ของมันหาความสุขให้กับใจได้ตัวที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองก็คือกิเลชเครื่องเศร้าหมองต่างหา วิธีที่จะแก้ปัญหานี้ต้องแก้ด้วยการบำเพ็ญ จ, จิตตภาวนาต้องเอาใจเข้าเครื่องซักพอกเท่านั้นเองสักพอกใจให้สะอาดกำจากิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้มเมื่อมันหมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะไม่มีเครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจต่ อ, อต่อให้น่างกายเป็นอะไรน่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย ใจก็จะไม่เศร้าหมองใจก็จะสดชื่นเบิกบานดูภาะที่เป็นพระสุปฏิปันโนทั้งหลายครูบาอาจารย์ต่างๆท่านอายุแป90ปีสังขารร่างกายนี้ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้แล้วแต่ใจท่านไม่มีความเศร้าหมองเลยเพราะใจท่านไม่มีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกาย พอท่านได้ซักฟอกจิตใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ท่านอยู่กับบรลมาสุขบัลมังสุด ข, ขังอยู่กับความสุขของใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่เป็นนิพพานใจที่เป็นนิพพานนี้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาหนึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขนอกใจกต่อไปแต่ใจที่ยังมีเครื่องเศร้าหมองนี้จะมีแต่ความทุกข์อยู่ในใจอยู่เรื่อยๆจึงจาเป็นต้องไปหาความสุข ข้างนอกใจแปหาความสุขจากทางตาหูจมูกนิ้งกายผ่านทางร่างกาย mm hmm. พอร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากไม่ไม่สามารถสร้างความสุขให้กับใจได้ใจที่มีแต่ความเศร้าหมองก็มีก็จะมีแต่ความเศร้ายกกายเป็นความซึมเศร้ายกกายเป็นความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายตามมานั่นเอง นี่แหละคือปัญหาของใจของสารโลกทุกคนอย่างพวกเรานี้ต่อให้เรามีมากมีน้อยมีเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นขอทานเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นขอทานเป็นคนยากคนจนคนต่ำต้อยมีปัญหาเหมือนกันคือมีเครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจเหมือนกันหมดทุกคนต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขาความเศร้าหมองของใจก็จะไม่ หายไปเราให้เป็นพระราชามหากษัตริย์มหาจา ก, กรรารพาัฒนานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ต่างมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองที่คอยสร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจนี้หายไปจากใจได้ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ถ้าใจไม่ได้รับการซักพอกด้วยการบําเพ็ญจิตตะภาวนาก็ยังจะต้องเจอกับความเศร้าความทุกข์ ความวิตกกังวลความหวาดกลัวต่างๆความซึมเศร้าเพราะมันเหตุที่สร้างความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้รับการกาจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องบางคนที่ว่าเวลาซึมเศร้าถ้ามีเงินไปเที่ยวไปกินไปดืม่มความซึมเศร้าก็จะหายไปมันก็หายไปแบบชั่วคราวพอไปกินไปดืม่มไปเที่ยว มันก็ลืมเรื่องที่มาทำให้เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาแต่พอกลับมาอยู่คนเดียวอาการซึมเศร้าก็จะกลับมาอีกอแล้วต่อไปเวลาร่างกายไม่สามารถทำอะไรได้ถึงแม้จะมีเงินทองของเท่าภูเขาก็ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไปทำนู่นทำนี้ได้ใจก็จะไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เพราะวิธีกำจัดความเศร้าความทุกข์นี้ ไม่ได้กาจัดด้วยการใช้ลาบยศสรรเสิญสุขไม่ได้ใช้เงินทองไม่ได้ใช้ยศไม่ได้ใช้ตำแหน่งไม่ได้ใช้คําสารเสิญเยินยอไม่ได้ใช้ความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันใช้ได้บางเวลาบางเวลามันก็ไม่มีก็ใช้ไม่ได้พอไม่ใช้ไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะไปกาจัดเวลาใช้ม่ได้มันก็กาจัดเพียงชั่วคราว แล้วพอเราหยุดใช้วิธีนี้เมื่อไหร่ความเศร้าใจก็จะกลับมาอยู่เหมือนเดิมเพราะรากของความเศร้าใจคือกิเลสความเศร้าหมองไม่ได้รับการกำจัดจากการใช้ความสุขทางกายมาสุขมาเป็นเครื่องกำจัดนั่นเองต้องมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ความเศร้าต่างๆความทุกข์จังๆของใจนี้หมดสิ้นไปจากใจได้ ก็วิธีของการซักฟอกจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาเป็นตัวอย่าง mm hmm. ก่อนที่พระเจ้าจะมาซักฟอกจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าก็อยู่เหมือนคนเหมือนอยู่เหมือนกับพวกเราใช้การซักฟอกใช้การชำนาความเศร้าต่างๆด้วยการหาความสุขอังตาหูจมูกนิ้นกาย มีปราสาทสามฤดูให้อยู่ถ้าที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่มันร้อนก็ย้ายไปอยู่อีกปราสาทหนึ่งที่มันเย็นถ้ามันมีฝนตกก็ย้ายไปอยู่ปราสาทหนึ่งที่ไม่มีฝนมีปาสาทสามฤดูไว้สำหรับอยู่จะได้มีแต่ความสุขเองเดียวนอกจากที่อยู่ที่สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แล้ว รูปเสียงกินรสต่างๆก็สามารถเสพได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลาอยากจะกินอะไ ร, อ ย, ะ อ, ะไรอยากจะดื่มอะไรอยากจะดูอยากจะฟังอะไรอยากจะทำอะไรอยากจะเล่นกีฬาอยากจะทาอะไรอยากไปล่าสัตว์ไปทำอะไรก็สามารถทำได้เพราะมีกำลังทรัพย์ที่จะสั่งให้สิ่งเหล่านี้มาให้ตอบสนองความอยากได้แต่พอเวลาอยู่ตามนําพัง ก็เกิดอาการรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเวขึ้นมาทันที mm hmm. เพราะว่าอาการเศร้าซ้อยหงอยเหง้านี้มันเกิดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่ไม่ได้รับการกําจัดจากการที่เราใช้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาเสกให้กับใจ mm hmm. มันเพียงแต่ทําให้ความเศร้าหมองนั้นหยุดทํางานชั่วคราวเท่านั้นเองพอไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามา ความเศร้าหมองทางใจก็โผล่ขึ้นมาม่ยันในที่สุดพระเจ้าก็เลยทรงตัดสินใจว่าต้องออกบวชแล้วเพราะอยู่ต่อไปเดี๋ยวร่างกายแก่เจ็บตายก็จะไม่สามารถที่จะไปไปบำเพ็ญไปซักฟอกจิตใจให้สะอาดโดยสุดได้องค์ก็เลยตัดสินใจนี้ออกจากพระราชวังไปที่หนีไปนี้ก็เพื่อที่จะไปบำเพ็ญจิตตะภาวนา พอได้ยินใน้ฟังว่านักบวชทั้งหลายในสมัยนั้นเขาซักฟอกจิตใจของเขาด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาแต่เป็นการบําเพ็ญจิตตภาวนาเพียงบางส่วนยังไม่ได้ครบทุกส่วนคือบําเพ็ญเพียงครึ่งเดียวคือขั้นระดับสติสมาธิขั้นเข้าฌานต่างๆสามารถทําใจให้สงบทําใจให้สุขได้เวลาที่เข้าสมาธิความเศร้าต่างๆก็จะ หยุดทำงานชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้เกิดความเศร้าความเศร้าหมองก็กลับคืนมาอีกแต่อย่างน้อยก็เป็นมีมีเครื่องมือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความเศร้าหมองได้เวลาเกิดความเศร้าหมองก็เข้าสมาธิไปแต่พอออกจากสมาธิเดี๋ยวไม่นานความเศร้าหมองก็กลับมาใหม่ ก็ต้องกลับเข้าไปสมาธิอยู่เรื่อยๆอันนี้คือระดับของการซักฟอกจิตใจในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสร้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงบำเพ็ญศึกษาปฏิบัติวิธีการซักฟอกจิตใจอยู่ก็ได้เรียนรู้วิธีซักฟอกเพียงครึ่งเดียวก็คือวิธีของสมัตภาวนาการซักฟอกจิตใจที่จะทาให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ อย่างยัง่งยืนถาว ر นี้ต้องมีอีกส่วนหนึ่งคือเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนานี้เป็นขั้นที่หนึ่งของการภาวนาต้องมีขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาจึงสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ความเศร้าต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้าได้เพียงแต่ขั้นที่หนึ่งคือขั้นสมถภาวนาก็จะกำจัดความทุกข์ความเศร้ามองได้ชั่ว คราวเวลาที่เข้าไปในสมาธิเวลาที่ทำใจให้สงบนิ่งความเศร้าหมองต่างๆก็หายไปความสุขอันยิ่งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมาชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มไปคิดเริ่มไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความเศร้าหมองก็จะกลับเข้ามาใหม่ได้ในสมัยนั้นไม่มีใครรู้ขั้นที่สองว่าทำอย่างไรจะทำให้ความทุกข์ความเศร้าหมองต่างๆ ที่มีอยู่ในใจนี่หายไปหมดโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าพยายามไปศึกษาหาครูบาอาจารย์ที่เก่งที่สุดให้ท่านสอนวิธีทำให้ความเศร้าหมองความทุกข์นี้หายไปตลอดเวลาก็ไม่มีอาจารย์รูปไหนองค์ไหที่จะรู้วิธีพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปปฏิบัติไปทดสอบไปคน้นคว้าหาวิธีที่จะทาให ความเศร้าหมองความทุกข์ต่างๆหายไปจากใจอย่างถาวรหายไปอย่างไม่มีวันกลับคืนมาอีกต่อไปหลังจากที่ได้ไปลองผิดลองถูกอยู่ระยะหนึ่งถึงขั้นขนาดทรมานร่างกายอดประกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันเราคิดว่าถ้าทาให้ถ้าทนกับความหิวความทุกข์ของร่างกายได้แล้วความเศร้าหมองต่างๆก็จะหายไปมันก็ไม่หาย เพราะการไปทรมานร่างกายนี้ไม่ได้ไปกําจัดเหตุที่ทําให้ใจเกิดความเศร้าหมองคือความโลภความอยากต่างๆนี้เพราะพุทธเจ้าก็เลยต้องหยุดการทรมานร่างกายเพราะเห็นว่าถ้าอยู่ต่อไปทรมานต่อไปก็จะตายแล้วก็ไม่ได้สามารถกําจัดความเศร้าหมองให้หมดไปจากใจได้อยู่ดีก็เป็นเหมือนกับการฆ่าตัวตายนี่ฆ่าตัวตายไปทําร้ายร่างกายให้มันตายไป ความเศร้าหมองมันก็ยังอยู่ในใจเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใจกับร่างกายนี้มันเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันปัญหาอยู่ที่ใจตัวที่สร้างความเศร้าหมองมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ในร่างกายไปทรมานร่างกายจนมันตายมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ทำให้ความเศร้าหมองหรือกิเลสเครื่องเศร้าหมองนี้หายไปหรือหมดไปได้พระองค์ก็เลยรู้ว่าต้องกลับมาที่ใจแนละ้วเพราะว่า ความเศร้าหมองนี้มันอยู่ที่ใจความทุกข์ก็เกิดจากความเศร้าหมองนี้ก็อยู่ในใจ<ม>ก็เลยไม่คิดค้นไปคิดค้นมามเปรียบเทียบระหว่างเวลาเข้าสมาธิกับเวลาไม่ได้เข้าสมาธิก็เห็นว่าความมีความต่างกันตรงที่ขณะที่จิตสงบอยู่ในสมาธิไม่มีความเศร้าก็เพราะว่าจิตไม่มีความคิดความอยากต่างๆนั่นเองก็เลยเห็นว่าออตัวที่ทําให้เกิดความ เศรามองก็คือความอยากนี่พอเกิดจากพอจากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากจะให้ร่างกายอยู่ไป น, นานๆเป็นเครื่องมือในการหาความสุขพอหาความสุขจากร่างกายไม่ได้ก็เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาเกิดความเศร้าใจขึ้นมาก็เลยเห็นอย่างชัดเจนว่าเกิดจากความอยากของใจนี่เกิดจากกามาทันหาความอยากเสืรูปเสียงกิดลด เกิจากภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเก็จากมีภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นและวิธีที่จะทำให้ความอยากเหล่านี้หมดไปก็ให้ท่านกพิจารณาว่าสิ่งที่สิ่งเหล่านี้ความอยากเหล่านี้ต้องการมันมันสามารถให้ความสุขอย่างยั่งยืนถาวรได้ไหรือไม่มันก็ให้ไม่ได้อยากเสื่รูปเสียงกลิ่นลดความสุขที่ได้ร้วจากรูปเสียงกลิ่นลดก็เป็นความสุขชั่วคราว ในขณะที่ได้เสพเวลาใดที่ไม่ได้เสพความสุขนั้นก็หายไปพอความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็จะตามมาทันทีก็เลยเห็นใจรักในสิ่งที่อยากเสพเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะเสพนั้นเป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่อ น, อนิจจังไม่เที่ยงพอความสุขที่ได้จากมันหายไปทุกขังก็ปปรากฏขึ้นมาอนัตตาก็คือไม่สามารถสั่งให้ทุกขังหายไป ไม่สามารถสั่งให้สุขครั้งอยู่ไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับดินฟ้าอากาศที่ไม่มีใครสามารถไปสั่งให้ดินฟ้าอากาศเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ได้ชั้นใดใจก็ไม่สามารถไปสั่งให้สิ่งที่ให้ความสุขกับใจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปไปสั่งให้รูปเสียงกิ่นล้นี้ให้ความสุขไปตลอดเวลาก็สั่งไม่ได้รูปเสียงกิ่นร้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว มันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปต้องอยู่เฉยๆต้องหยุดความอยากอย่าไปเวลาอยากอย่าไปเสพสิ่งเหล่านี้พอเสพแล้วแทนที่จะกาจัดความทุกข์มันไม่มันกำจัดได้ชั่วคราวพอสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปหรือหมดไปความทุกข์ก็จะกลับเข้ามาแทนที่ต้องเลิกเสพท่านั้นต้องหยุดความอยากเสพในการอยากจะหยุดเสพได้ใจก็ต้องมีพลังของสมาธิ ถ้าใจ ย, ยังไม่ฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธินี่เวลาอยากจะหยุดความอยากนี่มันไม่มีกำลังจะหยุดได้ถึง แ, แม้ปัญญาจะบอกว่าอย่าไปเสพอย่าไปอยากเเสพแล้วมันจะต้องเผชิญกับความทุกข์ต่อไปเวลาผิดหวังเวลาไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะเสพหรือเวลาที่ได้มาแล้วเดี๋ยวมันสูญไปมันหมดไปเพราะมันเป็นของชั่วข่าวมันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนถาวรมันเป็นของที่ต้องมีการเปลี่ยนไปได้ เปลี่ยนจากดีกลายเป็นสิ่งที่ไปไม่ดีได้ชันเสียงคนคนเดียวกันนี่เวลาเขาพูดดีแล้วเขาก็ให้ความสุขกับเราพอวันดีคืนดีเขาเปลี่ยนจากการพูดดีมาพูดไม่ดีกับเรามันก็ทาให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาได้ทันทีแล้วเราก็ไม่สามารถไปสั่งให้เขาพูดดีๆกับเราได้เขาก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยของเขา เขาก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนบางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีบางวันเขาก็มีความสุขเขาก็พูดดีบางวันที่เขาไม่มีความสุขเขาก็จะพูดไม่ดีขึ้นมาหรือบางวันเราไปทําอะไรขัดใจเขาขึ้นมาเขาก็จะกดเราขึ้นมาท่าทางที่เขาจะพูดดีกับเราเขาก็จะพูดไม่ดีกับเราขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการมาให้ความสุขกับใจนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้น ทุกเพราะว่ามันเป็นความสุขแบบไม่ยั่งยืนถาวรไม่แน่นอนแล้วเป็นความสุขที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่อย่างยั่งยืนถาวรได้นั่นเองแต่เห็นด้วยปัญญามันก็จะไม่ไม่กล้าทำตามความอยากแต่ถ้ามันยังฝืนทำตามความอยากอยู่ก็แสดงว่าจิตยังไม่มีพลังไม่มีความสงบพอไม่มีสมาธิที่จะหยุดความอยากได้ดังนั้นก่อนที่เราจะไปกาจัดความอยาก ด, ววด้วยวิธีวิปัสสนาภาวนาเพื่อกำจัดความอยากกำจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างถาวรขั้นต้นเราต้องมาเจริญขั้นที่หนึ่งก่อนคือขั้นสมถะภาวนาทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนหยุดความอยากแบบชั่วคราวให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราหยุดความอยากแบบชั่วคราวได้แล้วพอเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้ใจเราทุกข์เราก็จะหยุดบันอย่างถาวรได้เพราะเรามีกําลัง แต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิยังหยุดความอยากแบบชั่วคราวไม่ได้ทําใจให้นิ่งให้สงบเข้าสมาธิไม่ได้อยู่ถึงแม้จะรู้ด้วยปัญญาว่าความอยากที่เราต้องความอยากนี้จะพาเราไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวเรากลัฝืนความอยากไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้เราก็ต้องไปทําตามความอยากแล้วพอไปทําตามความอยากก็จะต้องเจอความเสียใจในภายหลัง เวลาที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากได้อีกต่อไปก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าขึ้นมาในใจต่อไปดังนั้นการบําเพ็ญสัมมาการบําเพ็ญจิตตภาวนาคือการซักพอกจิตใจนี้จําเป็นที่จะต้องทําตามขั้นตอนคือต้องทําขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วตามไปด้วยขั้นที่สองถ้ายังขั้นที่หนึ่งคือขั้นสมมตภาวนาไม่ได้ ใจจะไม่มีกำลังที่จะไปเจริญขั้นที่สองคือวิปัสนาภาวนาได้ถึงแม้จะรู้เห็นด้วยปัญญาก็ตามแต่ก็เป็นเพียงแต่รู้เห็นตามความคิดเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถรู้เห็นตามความความจริงคือหยุดความอยากได้เพราะใจไม่มีกำลังของสมถะภาวนามาสนับสนุนปัญญายังเป็นแค่แค่สุดตะมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาคือปัญญาที่ สุตตมยาปัญญาก็คือปัญญาความรู้แท้ที่ได้จากการเรียนรู้ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้า<ม>หรือจินตามัยาปัญญาความรู้ที่เราเอามาไข้กวนพิจารณาอยู่เรื่องเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลื ม, มความรู้ทั้งสองอันนี้ถ้าไม่มีสมาธิเป็นผู้มาสนับสนุนความรู้ทั้งสองขั้นนี้ไม่สามารถที่จะกําจัดความอยากหยุดความทุกข์ได้<ม>ต้องเป็นความรู้ ที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนต้องมีสมถะภาวานาก่อนอยางนั้นถ้าเรามีเพียงแต่ปัญญาขั้นสุตตะหรือขั้นจินตานี้มันไม่มีกำลังที่จะระหยุดความอยากได้ต้องมาเจริญสมถภาวานาเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิให้จิตเกิดอุเบกขาขึ้นมาคือวางเฉยให้ได้ก่อน ถ้าวางเฉยได้แล้วเวลาเกิดความอยากก็สามารถหยุดความอยากได้ก็คืออยู่เฉยๆอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปอยากจะดูฟังอะไรก็ไม่ดูอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็ไม่ดื่มถ้ามีอุเบกขาก็จะทําได้อย่างสบายไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดเพราะว่าอุเบกขานี้มันเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ใจมีความสุขด้วยการอยู่เฉยๆเมื่ออยู่เฉยๆได้มีความสุขได้ ไปจะไปทําอะไรให้มันวุ่นวายให้มันเดือดร้อนทําไมเวลาไปเที่ยวก็ต้องวุ่นวายต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมเงินเตรียมรถเตรียมอะไรต่างๆต้องที่พักอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดแต่ถ้ามีอุบเบกขาอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วทําไมต้องไปดิ้นรนหาความทุกข์มาใส่ตัวทําไมถ้าแต่ถ้าไม่มีสมถะไม่มีอุบเบกขาใจมันร้อนใจมันหิว พอคิดถึงความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากได้ขึ้นมาทันทีต้องไปให้ได้เทมตอนนี้เดี๋ยวมีวันหยุดหลายวันนี้ก็บางคนก็วางแผนไว้แล้วจะไปไหนดีที่วางแผนเพราะอะไรเพราะใจไม่มีอุเบกขาใจยังหิวอยู่ใจไม่มีความสุขในตัวของมันเองใจมันอยากจะไปหาความสุขนอกใจมันก็เลยต้องดิ้นไปหาเงินหาทองแล้วก็ไปเตรียมตัวเตรียมการต่างๆ จองที่พักจ อ, จองอะไรต่างๆไว้ให้พร้อมไว้ก่อนพอถึงวันหยุดก็จะได้ไปเดินทางไปได้แต่คนที่มีสมาธิมีอุเบกขาก็อยู่เฉยๆดีกว่าสบายแล้วยิ่งถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้มาให้ความสุขนั้นล้วนจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะเป็นความสุขชั่วคราวก็เลยไม่อยากไปไม่อยากได้ไม่อยากมีอยู่เฉยๆมีความสุขแล้วจะไปดิ้นรนทำไมให้เสียเวลาเปล่าๆ น, นี่คือส่วนสำคัญของการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนาก็คือต้องมีอุเบกขาจากการเจริญส ม, มถาภาวนาก่อนถ้าไม่มีส ม, มถาภาวนาไม่มีอุเบกขาใจจะหิวใจจะร้อนพออยากได้อะไรก็จะเอาให้ได้ทันทีเลยไม่มีปัญญาที่จะมาคิดมาเตือนใจว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป มันไม่ยอมคิดแล้วมันคิดว่าตอนนี้ต้องเอาให้ได้ขอให้มีความสุขไว้ก่อนแล้วความทุกข์ตามมาทีหลังค่อยว่ากันใหม่พอตามมาทีหลังก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการซึมเศร้าที่ไม่สามารถหาอะไรมาให้ความสุขกับเราได้ในลานนั้นก็จะคิดแต่ฆ่าตัวตายเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ปัญหาอีกนั่นเองวิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้นนี้เราต้องมาฝึกสติให้มากๆ ต้องการที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้เราต้องมีสติเป็นผู in, an, ้คอยหยุดความคิดให้ได <Jade>. ้เพราะว่าถ้าใจเรายังคิดอยู่มันก็จะผลิตอารมณ์ต่างๆผลิตความอยากต่างๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ใจเกิดความหิวโหยขึ้นมาแล้วก็ต้องไปทำตามความอยากแต่ถ้าเราสามารถเจริญสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดได้มันก็จะไม่ผลิตความอยากความหิวโหยต่างๆขึ้นมา มันก็จะอยู่เฉยๆได้นั่งสมาธิจิตก็รวมเป็นสมาธิได้เกิดอุเบกขาเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบของใจได้มันก็จะสามารถมีกําลังที่จะไปพิจารณาทางปัญญาให้เห็นว่าความสุขต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวความสุขจากโลกกระทำทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นของชั่วคราว มีเกิดแล้วก็มีดับไปมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเวลาเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันดับมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ให้ความทุกข์กับเราถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ก็อย่าไปอย่าไปเสดมันอย่าไปหามันมาเสดอยู่กับการอยู่เฉยๆอยู่กับอุเบกขาอยู่แต่สักแต่ว่ารู้ไปก็พออันนี้คือการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ จําเป็นที่จะต้องมีการซักพอกสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือซักพอกด้วยสมถะภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้มีความสุขในตัวของมันเองเมื่อมันมีความสุขในตัวของมันเองมันก็จะไม่หิวโหยกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่หิวโหยกับลาบยศสรรเสริญสุขแต่บางครั้งมาเวลาถ้าเวลาออกจากสมาธิมา พออุเบขาหายไปความอยากจะหาความสุขจากโลกกระทำก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้รับการกําจัดด้วยปัญญาสมาธิหรือสตินี้ไม่สามารถกําจัดความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เพียงแตก่ตกดเอามเพียงแต่กดมันไว้เท่านั้นเองเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเราหินไปทับหญ้านี้หญ้าก็ไม่สามารถงอกงามขึ้นมาได้แต่เวลาเราเอาหินออกจาก เห็นที่ทับหญ้าออกไปปล่อยให้มีให้ยญ้าได้รับน้ํารับแดดไม่กี่วันยญาก็จะ ง, งอกกลับคนขึ้นมาใหม่เพราะรากของยญาไม่ได้ถูกทําลายเพียงแต่ถูกปิดกั้นไว้ไม่ให้เจริญงอกงามขึ้นมาแต่พอยกหินออกไปหญ้าก็มีโอกาสมีเจริญงอกงามต่อไปได้เพราะรากมันยังมีอยู่ฉันใดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆ ก็จะถูกกำลังของสมาธิกดไว้เท่านั้นเองแต่ไม่ตายรากเง่าของมันคือความหลงมันยังอยู่ความหลงก็คืออะไรความหลงก็คือการไม่เห็นตายลักนี่าการ ไ, ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายลักเป็นีนิจังทุกขอังอนะตาถ้าอยากจะให้ความหลงหายไปถอนรากเง่าออกมาจากใจก็ต้องหมั่นสอนใจอยู่ด้วยว่า โลกธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นตายรักทั้งนั้นล้วนเป็นอนิจจทุกขังอ น, นตัตตาเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีเจริญมีเสื่อมเวลามันเจริญก็สุขเวลาเสื่อมมันก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ก็อย่าไปอย่าไปหามันอย่าไปเอามาเป็นสมบัติอย่าไปเอามาเสพเท่านั้นเองถ้ามี ม, มีสติมีสมาธิก็หยุดได้เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็จะไม่กล้าทำํำมันก็จะหยุดความอยากได้ต้องมีทั้งสองอย่างถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถกําจัดกิเลสเครื่องสมองให้หมดไปจากใจได้เพียงแต่กดมันไว้ชั่วคราวในสมาธิแต่ถ้ามีปัญญาโดยที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนก็จะไม่สามารถทําตามปัญญาที่สอนว่าอยากไปอยากได้ มันก็จะไปอยากอยู่ดีแต่ถ้ามีทั้งสองอย่างมีทั้งสมถะภาวนามีจิตที่สงบที่เป็นสมาธิที่เป็นอุเบกขาแล้วมีปัญญาที่เห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นตายรักเป็นทุกข์เป็นอนิจังทุกขังอนัตตามันก็จะหยุดความอยากได้อยู่เฉยๆได้ไม่เป็นดิน้นรนไปหาอะไรมาเสพได้เพราะจิตมันก็มีความสุขอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเวลาที่มันไม่อยากอะไรในเวลาที่มันเกิดความอยากก็ หยุดความอยากเสียงโดยด้วยการไม่กระทําตามความอยากพอไม่ทํากระตามความอยากความอยากมันก็จะหยุดไปทันทีแล้วมันก็จะไม่กลับมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกต่อไปอันนี้แหละเป็นวิธีการซักพ่อจิตใจซักพ่อความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือสมถาภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เย็นให้เป็นอุเบกขา แล้วก็ออกจากสมาธิมาก็จเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอ เ, เห็นแล้วใจก็จะไม่ก็จะไม่อยากได้อะไรต่อไปเพราะสิ่งที่อยากนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยหยุดความอยากได้อย่างท้าวรเมือ่อเมื่อความอยากได้ถูกกำจัดหมดสิ้นไปใจก็จะสงบไปตลอดเวลาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบร ม, มิสุขขึ้นมาเป็นบารมังสุขขังขึ้นมา ใจที่ปราศจากกิเลสเครื่องเสามองปราศจากความทุกข์ก็จะเป็นใจที่ปรมังสุญญงเป็นใจที่ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปเรียกว่านิพพานนิบานังปรมังสุญญงนิบานังปรมังสุขขังก็คือผลที่จะเกิดเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาใจไม่ได้หายไปไหนใจยังอยู่เหมือนเดิมแต่ใจอ ย, อยู่อย่าง อย่างบำล ม, มสุขใจอยู่อย่างใจที่ว่างปราศจากความทุกข์ต่างๆเท่า น, นั้นเองอันนี้ก็คือเรื่องของจิตตภาวนาการซักพอกจิตใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวะหาปูราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุตปะปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเทตุเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยธาณิโชติระสุยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารโควินัสตุ มาเตภวตวันตาลาโยสุขิติขายุโกาวะอาพิวาธนสิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมมวะทานติอายุวันโนสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถา ม, ถาม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 พระอาจารย์สุชาติ380ท่านทาง YouTube ดรวีหท่านทางวิทยุออนไลน์17ท่านทาง c ั u b ฮ o u s e 9ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ140ท่านรวมทั้งหมด901ท่านครับ mm. You have any question? Okay. close the mouth. Mm -hmm. Good afternoon. Um, I'm very glad to be here again to come back, and I thank you for this opportunity to ask uh, some questions. And we have many questions again from our friends, from some people mm, from Russia. Uh, so we appreciate uh, this chance. l s e speak louder. Okay, speak a little bit louder. Loud. Okay. Okay. Mm -hmm. uh, the first question is: Is there a life mission for a person? Like uh, for some scientists, it was probably to make a big discovery, and for great artists, to create a masterpiece. How to understand in which field to develop? How to serve people better? Well, the best, the best way to serve people is to become a monk, mm -hmm. because you, this is the only way you can help people stop suffering f o r permanently. Everything else that you achieve cannot stop suffering. So the Buddha became a monk and he could help save, uh, save a lot of people from suffering. This is the the best achievement in the world. If you want to achieve anything, become a Buddha or his noble disciple. Everything else is not, not great achievement. Mm. Whether you can paint a Mona Lisa or you can build a rocket, this thing cannot st stop suffering. But with the enlightenment of a, a noble disciple or the Buddha, you can stop this suffering forever. So the best achievement is to become a m o n to become an enlightened. A Buddha or a noble disciple. Mm -hmm. Okay. Okay, thank you. The second, a question from an astrologer: Is astrology helpful? Are predictions helpful for people, or they should discover their life path by themselves? Is it possible to predict things in life? There are some prediction which is not important, and there are some prediction that are important to know. And what is important to know is that our future, our body is gonna get old, get sick, and die. That's the that's a good prediction and the true prediction. Everything else is not important. If you can know your future that you're gonna get old, get sick, and die, then you can do something about it now. Right now. You don't want to get old, get sick, and die. So you get suffering when you get old, get sick, and die. But you can change this, get rid of this suffering by practicing meditation. Once you have m a s t e r meditation, your mind can become calm and peaceful. Then you will have no suffering when you get old, get sick, or die. So if you want to know the future, just know these three things: you're g o n o get old, get sick, and die. And there's not no one or anybody can stop it from happening. Other thing is not important. Mm -hmm. Okay. Okay. Thank you. Uh, next one, a person has health problems, compression of vertebrae. Uh, that. Puts pressure on her nerves. How to deal with pain? What are the comic reasons of health problems? Can it be because she does or speaks something in the wrong way? Well, the problem with body, are many causes. It can be anything. You have to ask the doctor for this. But how to deal with the sickness, the pain? We use meditation in Buddhism. When we meditate, the mind becomes still, does not react to the pain, and then the pain cannot cause any suffering in the mind. The mind can be happy living with the pain. So this is what we have to do: learn to be, learn to live happily with the pain. Because once you are happy living with the pain, then you have no afraid of pain. You can welcome it any time when it comes. Okay, understand. Yes, thank you. A person has sat two ten days. He passed the courses in going a G Burmese tradition, and it was very difficult for him. He says it was almost like death. He suffered a lot as he is very sensitive. He is not sure he understood the technique in the right way, but he feels very significant results regarding body and mind. How to understand that this or that kind of meditation fits a person? Can meditating in right way be scary or and difficult? Well, doing meditation is sometimes like running a marathon. Before you can run a marathon, you have to start from a short distance first. Running one kilometer, then increase to two kilometers, and so on. To go practice full time meditation for a beginner is difficult. Very hard to do. So a beginner has to practice maybe half an hour first a day, then increase to 40 minutes to 50 minutes a day, and then maybe on a day off when there's no work to do, maybe meditation all day. You have to go step by step according to your ability to to meditate. If you can do it right away, go ahead. If you can go and practice right away for ten days, then you, you you can do that. Then it's okay. But if you, if you could not do that yet, then you have to start from from from the first step first. Do slowly and build up gradually. Build up your strength gradually. Mm -hmm. okay. Thank you. Um, Same person is asking about anger uh, towards his children. It's hard for him to control the anger, and he can even beat his children, his child, which causes immense suffering to his body and mind. Uh, how to understand reasons behind such behavior? How to change it? Well, his problem is his desire to control. His children, and once he could not control them, he become frustrated, become angry. So he has to change his attitude towards his children. Leave them alone. Don't try to control them. You can teach them, tell them what's wrong, what's right. But if they don't want to follow, then it's up to them. If they want to go to jail, that's t h e i r problem. You have done your your job. a s a i your your parents is like a teacher. You teach your children what is good, what is bad for them, but you cannot force them to do what is good or bad. They have to decide for themselves. So don't try to control them, because when you try and you cannot control them, you become angry. You can become sad, frustrated. Mm -hmm. So you have to let go of your attachment to your children. You can love them, but love them without attachment. Love them like you love other people. You want them to be happy, so you teach them the right thing, the good thing. But if they don't want to follow what you say, then it's too bad. You cannot do anything. Thank you. Um, then Ajahn has given us advice to help ourselves. First and only then to help others. But to realize anatta, we should lessen our ego and behave like servants of other people, giving more attention to them than to ourselves. How to find balance in these two modes of life? It depends on how much you can let go of your ego. If you still attach strongly to your ego, then you cannot. Treat yourself as a servant yet, then you just have to treat yourself naturally, whichever whichever way you want to treat yourself to be. But you will have to pay the consequence. If you think you r e good, you r e better than somebody, and then you find somebody who might be good or better than you, then you can be sad. But you think you're not as good as them, then you you don't feel bad if they are better than you. So it's up to you, how much suffering you want to to take. The more suffering, then you think of yourself as being great. Then when, when somebody find that when when you find somebody become greater than you, then you can become sad. But you if you lower yourself down and you see everybody is greater than you, then you don't feel sad. So it's a matter of how how you want to your. How, how do you want to feel good or bad? If you want to feel bad, you have to think yourself great. But if you, you want to feel good, you you you think yourself as being low, being a servant. Okay. Okay. Thank you. Uh, we spoke a lot about a suba practice, uh, but it seems for many women, sexual desire is not. In o y affliction, should such women or men practice asubha as well, or they should practice other types of meditations aimed at their particular kilesas? Well, asubha practice is for those who want to keep the eight precepts. If you want to keep the eight precepts, then you have you cannot have sexual intercourse. So when you have sexual desire, you have to use A super practice to stop your sexual desire. But if you just keep the five precepts, then you don't need to practice the s u p e t You can have sex anytime you want, as much as you want. Mm -hmm. But when you become a monk or you keep the eight precepts, then you have to stop. And in order to stop your desire, you have to practice a super. See the body as not good looking, then you will have no sexual desire coming up. Mm -hmm. So i t depends on the level of practice. If you're just on the five precept, then you don't need to practice the s u p a r But you practice the eight precept, right? When you're staying in the temple, you have to practice keeping the eight precept. s You cannot have sexual intercourse with anybody. So you have to tame your sexual desire by using a super practice. Understand? Yes. Okay. Thank you. Um. We will translate Maria. We will translate after our talks okay. for other people Good, also. Sure. Yeah. So we have uh, two more questions. Sure, okay? o a <laughs> um, What is spirituality and what is meditation? How to start to meditate? What is spiritual one? Spirituality. Spirituality. spirituality? Yes. And what is spirituality, and what is meditation? How to start to meditate? Well, meditation is the practice of spirituality. You want to improve your spirit. Your spirit is your mind, not your body. Your mind right now is is very, very unhappy. You have lots of dissatisfaction. You have a lot of unhappiness. You can get rid of this thing by the practice of meditation, because when you meditate, when your mind becomes calm, your mind become happy. Then your your unhappiness, your your dissatisfaction will disappear. So this is what we we do with, with meditation to um, to improve our spirit, to make our our spirit become totally happy all the time, like the Buddha. The Buddha spirit is always happy all the time. It's a happy Buddha. It's a happy spirit. Mm -hmm. That's what meditation do for the spirit. It doesn't do for the body. The body will still get old, get sick, and die. You cannot stop the body from getting old, getting sick, and die from meditation. But you can use meditation to make your mind happier until reaching the highest point of happiness. Okay. Okay. And the last question: uh, If all the people find happiness in themselves, can progress of humanity be possible? If everybody, if everybody is happy, then there will be no problem. <laughs> pro the problem is we are not happy, <laughs> so we try to find happiness from some other people, and then we, we end up finding more unhappiness. So we end up sometimes doing bad things to each other mm -hmm. because we cannot get what we want from them. We expect to get happiness from them, but it turns out they give us more more sadness, more unhappiness, more suffering. So sometimes we end up fighting and killing each other. Mm -hmm. So if we have happiness within ourselves, then we don't need to go after anybody for happiness. So every b o d y will live happily if everybody can makes himself happy. Okay. Does this answer the question? That's all oh, for, for today. Oh, fine, fine, no <laughs> problem. Thank Where is Maria now? Is she back in Russia? Yeah, already no. back in Russia or in, in Thailand still? In t o days, we're going to uh, Japan. Japan. Yes. In t o days, with the group or just yes, yourself? The group. Uh, okay. Uh, you can ask more questions maybe tomorrow if you have. Okay. Oh, คำถามจากผู้รับฟังนากูดค่ะกลุ่มบุคคลที่มีศรัทธาจะต้องรักษา <c oughs> จะต้องรัาศรัทธาที่เป็นตัวขวางอย่างไรหรือการปฏิบัติจะต้องใช้อะไรนาําคะการเสืมส่มศรัทธาจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่มีศรัทธาเวลาเสื่อมศรัทธาก็แสดงว่าความรู้เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องมาศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆ ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระสาวกอยู่เรื่อยๆแล้วศรัทธาในในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่เสื่อมแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเลยเดี๋ยวเราก็อาจจะเสื่อมได้คําถามข้อที่สองค่ะบุคคลที่หลงในธรรมารมณ์อันมีสังขารเป็นต้นไม่ค่อยติดเรื่องร่างกายต้องปฏิบัติใช้อะไรนําคะ นิสติหยุดสังขารใช้คําบริกรรมพูดโถอพูดโธอไปเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งตา่างๆทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วสังขารก็จะหายไปสังขารก็จะหยุดทํางานธรรมอารมณ์ก็จะหายไปแล้วก็จะได้ความสงบเป็นอารมณ์แทนคําถามจากทาง facebook ค่ะการไปนิพพานถือว่าได้ตัดขาดกับลูกหลานญาติพี่น้องหรือไม่เ้าค่ะไม่หรอกช่วงที่ไปศึกษานต้องตัดขาดชั่วคราว มันไปโรงเรียนกินนอนองนี้พ่อแม่บางทีต้องส่งลูกไปโรงเรียนกินนอนเพราะว่ามันเด้อมันมันมันไม่มีวินัยมันไม่มีระเบียบก็เลยต้องไปฝากโรงเรียนกินนอนช่วงนั้นก็ต้องแยกกันอยู่ไม่ไม่ได้เจอกันเพราะถ้าอยู่ใกล้พ่อแม่เดี๋ยวมันก็จะวิ่งเข้าหาพ่อแม่อีกเรื่อยๆก็นี้ก็เหมือนกันเวลาไปบวชไปปฏิบัติเท่านี้ผัานก็ต้องไปอยู่ไกลๆจากบ้านเพออยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องเดี๋ยวก็หนีกลับบ้าน แต่พอมันรู้แล้วทีนี้ก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านกี่วันกี่ครั้งก็ได้เพราะมันไม่มีความยึดติดในบ้านในคนต่อไป <c oughs> คำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะกระผมภาวนาคำว่าวางวางแล้วใจนิ่งใจโล่งไม่ค่อยต่อต้านเมื่อเทียบกับคาภาวนาอื่นการภาวนาคำว่าวางวางบางครั้งทั้งกลางวันกลางคืนความคิดคาว่าวางเกิดขึ้น เกิดผุดขึ้นเองทําให้วางอารมณ์วางความคิดที่มีดีได้กระผมสามารถใช้คําภาวนานี้ได้ไหมขอรับและเป็นการเจริญสติแบบใดครับได้ก็เป็นเจริญสติแบบแบบอนุสติแทนที่จะใช้พุทธานุสติก็ใช้วางอนุสติไปปล่อยวางมือเบกขาไปคําถามจากทางอินบ็อค่ะ เวลาโกรธแล้วผมดูความโกรธจนเห็นความโกรธดับคือเห็นใจรักแต่พระอาจารย์บอกว่าเห็นเกิดดับไม่ต้องควบคุมผมยังไม่ค่อยเข้าใจครับผมต้องทําอะไรต่อไปครับหลังจากเห็นความโกรธดับดับไปผมเข้าใจว่าวิปัสสนาคือการแค่เพียงรู้เมื่อเมื่อแค่เพียงรู้ไปเรื่อยคือเห็นไตรักของสภาวะต่างๆไปเรื่อยมันจะคลายออกรบกวนช่วยอธิบายเพิ่มครับ ไห้ทำสติก่อนดีกว่าไป้ทำจิตให้นิ่งให้สงบก่อนแล้วถึงจะเข้าใจว่าจะปล่อยปล่อยอย่างไรถึงจะปล่อยถึงเวลาอะไไม่ควรปล่อยมันมันมีเหตุมีผลของมันอีกทีหนึ่งดังนั้นถ้าเรายังไม่มีสติไม่มีสมาธินี่เราจะไม่รู้จุดยืนของการของของจิตเราว่าเราควรจะปล่อยหรือไม่ปล่อยอย่างไรบางทีเราก็ต้องปล่อยบางทีเราก็ไม่ปล่อยบางทีเราปล่อยได้เราก็ปล่อยบางทีเราปล่อยไม่ได้เราก็ต้องไม่ปล่อย มันมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าจะปล่อยหมดทุกอย่างเพราะเรายังอยู่กับโลกนี้อยู่เรายังมีความรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆอยู่ยังไม่ต้องกินข้าวเสียถ้าปล่อยทุกอย่างไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องทำํำมันหิวก็ปล่อยมันหิวไปมันมันต้องมีเหตุมีผลด้วยการศึกษาการปฏิบัติถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วจิตมันจะไม่มีหลักมีเกณฑ์มันจะไม่รู้จุดยืนของจิตว่าควรจะยืนอยู่ตรงไหนจุดยืนของจิตก็อยู่ที่ความสงบะ ถ้าปล่อยแล้วสงบก็ปล่อยถ้าปล่อยแล้วไม่สงบก็อย่าไปปล่อยเราต้องรักษาความสงบเป็นหลักไว้คำถามจากทางเฟซบุ๊ k ค่ะคำพูดที่ว่านิพพานไม่เคยเกิดไม่เคยตายบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีกรรมก็ไม่มีทุกสิ่งเป็นสมมุติทุกสิ่งสมมติเป็นอนัตตาเป็นมิจฉาทิฐิไหมครับคือจิตที่เป็นนิพพานมันก็ไม่ไปเกิด มันมันไปเกิดมันก็ไม่ไปทํากรรมไม่ไปทําบุญไม่ไปทํำบาปมันก็ไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปขวาหมายก็อยู่แค่นี้คําถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะผมไม่ใช่คนไทยครับผมอยากบวชและศึกษาอยู่กับพระอาจารย์ครับผมต้องทําอย่างไรบ้างครับจะต้องเข้ามาบวช ด, ด้วยวีซ่าอะไรครับ เ, ออเราไม่ได้รับบวชเพราะฉะนั้นจะบวชกับเรานี่ยคงบวชไม่ได้ ต้องไ่บวชกับพระรูปอื่นแต่ถ้าอยากจะมาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ mm hmm. ก็มาอยู่ได้แต่ต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาสก่อนเราเป็นเพียงแต่พระลูกวัดอาศัยวัด น, นี้เขาอยู่เหมือนพระรูปอื่นไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจในการรับหรือบวชใครคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ขอให้พระอาจารย์สอนธรรมะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์กับธรรมชาติแผ่นดินไหวครับก็ปล่อยวางไงต้องวางท่องวางวางไว้ปล่อยให้มันเกิดเพราะเราหยุดมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันจะไม่เกิดมันก็ไม่เกิดไยวุ่นวายกับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงยอมรับความจริงใช้หลักสามยอยอมหยุดเย็น ยอมรับความจริงแล้วก็หยุดต่อต้านความจริงแล้วใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะสบายคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเดียรพระอาจารย์ I've broken the third precept or I, or maybe I have almost broken it now I'm feeling very guilty and keep worrying about the About the karmic consequences, what shall I do? b e prepare d to accept the consequences. Once you have committed something wrong, you have to pay for it. But don't worry, it will pass away once you pay for it, and try not to repeat the same problem again, the same mistake again. t a n you t a l e t a start n a ถ้าไม่ถามวันนี้คําถามจะหมวนะขอขออนุญาตค่ะมีมีท่านนึงอยากให้ถามซ้ําแต่คําถามชื่อคุณเจลีนะคะรบกวนถ้าจะให้ถามซ้ําช่วยส่งมาใหม่ค่ะเพราะว่าหาคําถามไม่เจอเอาไว้มาหนังกันแล้วกันนะลอกน้องมาเสียเวลามานั่งหากันอีกวายโอกาสหน้าแล้วก็ค่อยส่งเข้ามาใหม่วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา